ท่านไม่อาจได้ยินความประพฤติชั่วของภริยาของท่านฉะนั้นท่านไม่เคยได้ยินความชั่วของภริยาของท่านเลยใช่ไหมใจของเราก็ฉะนั้นถ้าท่านยินดีแล้วด้วยคุณเหล่านี้ก็พึงกล่าวว่าแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนั้นหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดคำนี้เราก็กล่าวมือนกับท่านนั่นแหละนายธนิยะฟังคำนั้นแล้วต้องการจะดื่มรสแห่งสุภาษิตให้ยิ่งขึ้นไป ก็เลยแสดงคาถาอนะประกาศความที่ตนเป็นไทยการที่จะพูดให้ให้พระพุทธเจ้ากล่าวต่อไปเขาจะต้องมีอะไรมาพูดมันคล้ายๆกับแบบโต้อตอบกันแบบลําตัดนะนะโต้ตอบกันแบบคล้ายๆแบบนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝ่ายหนึ่งจะแก้เพราะนนั้จะต้องหาอะไรมาพูดไปเรื่อยอีกฝ่ายหนึ่งจะแก้เขาอยากฟังคําแก้วมันเป็นยังไงเนี่ย น, นะก็เลยกล่าวถึงความที่ตนเป็นเสรีชนว่างั้นเถอะเป็นเสรีชนอิสระชนว่า เราเป็นผู้เลี้ยงตนด้วยอาหารและเครื่องนุ่งห่มและบุตรทั้งหลายของเราก็ดำรงอยู่ด้วยดีบุตรของเราไม่มีโรคเราไม่ได้ยินความชั่วอะไรๆของบุตรเหล่านั้นแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็ตกลงมาเถิดเราอิสระเต็มที่ลูกเราดีทุกคนฝนตกมาเลยอย่างนั้น ก็บอกว่าบทว่าเตสังนะัสุนามิกินจิ ป, ป่าฟังความว่าเราไม่ได้ยีความชั่วอะไรอะไรของบุตรและธิดาของเรานั้นว่าบุตรคนนั้นหรือว่าธิดาคนนี้เป็นโจรบุตรเหล่านี้เป็นชั่วกับพริยาคนอื่นหรือว่าบุตรและธิดาทั้งหลายเป็นคนทู่สีลหมือลูกดีทู่คนเลยนะพระพุทธเจ้าก็เลยโอวาทตอบว่าเราไม่เป็นลูกจ้างของใครใครเราเที่ยวไปด้วยความเป็นพระสัพพันญู ผู้ไม่มีความต้องการไม่มีตัณหาในโลกทั้งปวงเราไม่มีความต้องการค่าจ้างแม่ฝนท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดนี่นะนายธนิยะเขาบอกว่าเขาเป็นเสรีชนอิสระชนใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกเราเป็นสัพพันยูที่ออกไปในโลกอันนี้คือความต่างกันอธิบายว่าท่านคิดว่าท่านเป็นไทยไม่ได้เป็นทาตของผู้ใดจึงดีใจแต่เมื่อว่าโดยประมาจารยแล้ว ท่านทํางานของตนแม้มีชีวิตอยู่ก็เชื่อว่ายังเป็นทาสอยู่นั่นแหละเพราะท่านเป็นทาสของตันหารับใช้ตันหาแล้วแต่ตันหาจะแนะนำนะตันหาจะสั่งให้ทําอะไรก็ทำไปหมดเพราะนนั้ท่านไม่พ้นจากคําพูดที่ว่าเป็นลูกจ้างหรือเป็นทาสดังที่พระรัฐบาลกล่าวว่าสัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มตกเป็นทาสแห่งตันหาเป็นต้น แต่เมื่อว่าโดยประมาทเราตถาคตไม่ใช่ลูกจ้างของใครเพราะเราไม่ใช่ลูกจ้างของใครอื่นหรือเราก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างของตนเองเพราะอะไรเพราะเราย่อมท่องเที่ยวไปในโลกทั้งปวงด้วยความเป็นสัพพัญญูรูส้รสรพสิงไม่มีความต้องการด้วยว่านับตั้งแต่เราเราเนี่ยนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพนามวัถีปังกรมาจนถึงการตรัสรู้ ก็เป็นคนรับจ้างของพระสัพพัญยุตยานตลอดมาพระพุทธเจ้าทําทุกอย่างเพื่อสัพพัญยุตยานใช่ไหมตั้งแต่นู้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรรับจ้างเพื่อสัพพัญยุตยานอย่างเดียวแต่เมื่อเราได้บรรลุสัพพัญยุตยานแล้วเราก็เป็นอยู่ด้วยการเป็นพระสัพพัญยูไม่มีความต้องการนั่นแหลและอยู่ด้วยความสุขที่เกิดจากโลกุตระสมาธิคืออรหัตผลสมาธิประดุดข้าราชการที่ไม่ต้องการเงินเดือนฉะนั้นบัดนี้ เราไม่มีความต้องการด้วยค่าจ้างอะไรๆที่จะพึงรับดุจคนทั้งหลายเช่นท่านที่ยังละปฏิสนธิไม่ได้นะท่านเองสิท่านตัดชาติชรามรณะไม่ได้เนี่ยจะพึงได้รับประกันเพราะไม่มีกิจอะไรๆที่จะยิ่งพระพุทธเจ้าไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทำอีกเลยใช่ไหมหรือแม้กิจเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าท่านยินดีว่าตัวท่านเป็นไทยกล่าวว่าแน่ฝน เมื่อฝนปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเราก็พูดว่าเราเป็นไทยเหมือนกันเพราะไม่ตกเป็นาธาแห่งตันหาเราเป็นสัพพันย์ูเที่ยวไปในโลกนายทนิยะฟังพระดำรัสนั้นก็ไม่อิ่มด้วยพระดำรัสเลยเมื่อจะแสดงถึงความบริบูรณ์แห่งฝูงโคที่มีอุปการะมากห้าประเภทก็เลยกล่าวคำที่เป็นสุภาษิตว่า โคแก่ลูกโคอ่อนที่ยังไม่ได้ฝึกแม่โคที่มีคันลูกโคนมแม่โคตัวปรารถนาประเวณีมีอยู่อันหนึ่งแม่โคที่เป็นเจ้าฝูงแห่งฝูงโค ก, ก็มีอยู่เน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดคือเขารับแมาว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีโคของเขาดีจริ ง, รงๆว่างั้นเถะโคแต่ละอย่างของเขานี่เยี่ยมไปหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นฝนจะตกลงมาก็ตกมาเธอเพราะว่าฝูงโคของเขาเนี่ยเยี่ยมอธิบายเพิ่มในหน้า80บอกว่านมาโคจ่าฝูงอ่โคจ่าฝูงแม้ใดอันนายโคบานทั้งหลายอาบน้ำให้แต่เช้าตรูให้กินอาหารให้เครื่องเจิมห้าแห่งสวมพวงมาลัยแล้วก็นำไปส่งด้วยคำว่าแน่พ่อเจ้าจงไปจงให้โคทั้งหลายถึงที่หากินรักษาแล้วก็นามา ก็โคจากฟูงนั้นอันนายโคบาลทั้งหลายส่งไปแล้วอย่างนี้รักษาโคทั้งหลายไม่ให้ไปสู่ที่อักโครจรให้เที่ยวไปในโครจรคือที่สมควรเที่ยวกีดกันแล้วจากภัยอันเกิดจากสัตว์รายมีสิงโตและเสือโคร่งเป็นต้นแล้วก็นำมา โคจ่าฝูงเห็นป่านนี้มีอยู่ในฝูงโคของเราในบ้านของเรานี้แม้เรานี่มีหัวหัวหน้าฝูงโคโคจ่าฝูงเยี่ยมเพราะฉะนั้นไม่ลําบากในการเลี้ยงโคโคตัวไหนดื้อเดี๋ยวหัวหน้าจ่าฝูงจัดการหมดเหมือนกันนั่นเลี้ยงโคได้อย่างเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าโคแก่และลูกโคที่ยังไม่ได้ฝึกแม่โคที่มีคันลูกโคนมแม่โคที่ปรารถนาประเวณีก็ไม่มีพระพุทธเจ้าบอกเราไม่มีโคแม้แต่ตัวเดียว อันหนึ่งแม้โคที่เป็นเจ้าฝูงแห่งฝูงโคก็ไม่มีเราไม่มีโคแม้แต่ตัวเดียวแน่ฝนหากท่านปราถนาก็เชิญตกลงมาเถิด น, นะพระพุทธเจ้าไม่มีโคเลยใช่ไหมว่าอธิบายว่าในาศาสนาของเรานี้ไม่มีปริยุท ธ, ธามกิเลสคือนิวรณที่กลุ่มรุมจิตเรียกว่าวาสาโคแก่เพราะยังไม่ได้ฝึกเพราะอาจว่าเป็นโคแก่ เพราะในอนุสพ่วกนิวรณ์ทั้งหลายที่เป็นกิเลสปริยุทธานี่ไม่มีรอกเราไม่มีโคแก่แบบนั้นหรือว่าไม่มีอนุัยกิเลสคือกล่าวคือโคที่ยังดื่มน้ํานมหมายเอาโคน่มอนุัยกิเลสนี่เปรียบนะนะปริยุทธานเหมือนโคแก่อนุสัยเหมือนโคน่มโคมีกําลังอ่ะโคแรงโคงานอ่ะนะเพราะอาจว่ามูลโคของเป็นมูลของโคแก่ที่ยังไม่ได้ฝึกทั้งหลายหรือหมายถึงแม่โคนมทั้งหลาย เพราะอัถะว่าไหลออกอนุสัยนี่แปลว่าไหลออกมีความหมายว่าไหลออกกับ ม, มีความหมายว่ามีกําลังเพราะยังไม่ได้รับการฝึกหรือไม่มีเจตนาที่เป็นไปกับปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขารกล่าวคือโคมีคันโคมีท้องอะนะไม่มีอันนะัเพราะกรรมทั้งที่เป็นปุญญาพิสังขารเจตนา29ของเราไม่นําไปสู่ปฏิสนธิอีกแล้วห่วงนั้น เพราะฉะนั้นโคที่เราว่าโคมีท้องไม่มีร้อเพราะเราไม่เกิดในท้องใครเหมืนกันเพราะว่าถ้ายังมีเจตนาก็ยังต้องปฏิสนธิใช่ไหมเราไม่มีเจตนานำปฏิสนธิรอกหรืออีกอย่างหนึ่งเราไม่มีความปรารถนาประเวณีคือตัญหาเพราะอัตถาว่าปรารถนาการประกอบเราไม่มีอภิสังขารและวิญญาณกล่าวคือจ่าฟูงเพราะอัถาเปรวว่าเป็นใหญ่เพราะเป็นถึงก่อนและก็ประเสริฐสุด ไม่มีอภิสังขารวิญญาณจิตเนี่ยนะเราไม่มีจิตที่เป็นเหตุนำไปสู่วัตะโรคเรานั้นยินดีแล้วในความไม่มีนะของเขานี่ยินดีในการมีโคใช่ไหมพุทธเจ้าบอกเรายินดีในความไม่มีมีความสุขที่ไม่มีอันเป็นความกเกษมจากโยคะทั้งปวงแต่ท่านสิยินดีในความมีมีอะไร ก็มีอันเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกงัยท่านมีที่ตั้งแห่งโสกาปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตมากมายการกล่าวของเราผู้ยินดีในความกเกษมจากโยคะทั้งปวงนี้ถูกต้องของท่านนี่ไม่ถูกเท่าไหร่ใช่ไหมบอกแม้มีความสุขที่มีโคเดี๋ยวกับหลังน้ำตาเพราะโคนั่นแหละเหมือนนนะแต่ของเราไม่มีเลยไม่มีทุกเลยน ะ, ะแต่ที่แน่ๆมันต้องไม่มีตันหาด้วยแนละ้วไม่มีโคหมายความว่าหาโคลสักตัวไม่ได้และตันหาเต็มใจเนี่ย ถ้าอย่างนี้ก็ทุกแน่แต่หมายก็ว่าไม่ไม่มีโคแล้วก็ไม่มีตันหานี่สิจึงจะสุขจริงว่างั้นแนฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากท่านปราถนาจะตกก็ตกเชิญลงมาเถอนายทนิยะฟังพุทธภาษิตนั้นแล้วปราคนาจะเข้าถึงอมตะ ร, รถแห่งสุภาษิตเม้ให้ยิ่งไปกว่านั้นก็เลยแสดงถึงสมบัติคือการผูกฝูงโคของตนไว้ที่หลักก็เลยกล่าวว่า เสาเป็นที่ผูกโคของเราก็ฝังไว้ดีแล้วไม่หวั่นไหวนะเสานี่ดีเยี่ยมที่ปักโคเนี่ยนะไอ้ที่ผูกโคอะเชือกสำหรับผูกพิเศษประกอบด้วยปมและบ่วงเราก็ทำไว้แล้วนะสำเร็จด้วยย่ามงกระตายเป็นของใหม่มีสันฐานดีนะครับถ้าเป็นสมัยใหม่ก็เชือกไนล่อนไว้ผูกโคเยี่ยมเหมือนกันนะ สำหรับผูกโคทั้งหลายแม้โคนมนมก็ไม่อาจจะให้ขาดได้เลยแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเขาภูมิใจมากที่เขามีเชือกผูกโค น, น่นนะเสาที่ผูกโคก็ดีเชือกผูกโคก็เยี่ยมนะน ะ, ะพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้ า, ร ท, จาทรงทราบการที่อินทรียีอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของนายธนยะ แก่รอบแล้วก็เลยให้โอวาดเป็นคาถาที่ประกอบด้วยอริยสัจสี่ว่าเราจะไม่เข้าถึงการนอนในคันอีกเหมือนโคตัดเชือกสำหรับผูกขาดแล้วเหมือนช้างทำลายเถากระพังโหมได้แล้วฉะนั้นแน่ฝนหากท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเราจะไม่เข้าถึงการนอนในคันอีกอันนี้แปลว่าประกาศอริยสัจ เหมือนอะไรเหมือนโคตัดเชือกสําหรับผูกเหมือนโคตัดเชือกที่ผูกเนี่ยขาดล้วเหมือนช้างทําลายเถากับพังโหมได้แล้วเนี่ยนะคำอธิบายในหน้าแปดบสามย่อหน้าตรงกลางว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนทนิยะท่านยินดีด้วยเครื่องผูกแต่เราอึดอัดด้วยเครื่องผูก เราจึงตัดสังโยชตเบื้องสูงห้าชนิดเสียได้ด้วยความเพียรอันมีกําลังกล่าวคืออริยมรรคที่4เปรียบเหมือนโคอุตสภ ה ตัวใหญ่ซึ่งสมบูรณ์ด้วยกําลังและความเพียรสลัดเชือกทําลายออกเสียได้ฉะนั้นเราทําลายสังโยชตเบื้องต่ำห้าประการเสียได้ด้วยความเพียรอันมีกําลังกล่าวคืออริยมรรคเบื้องต่ำสามประการดุดช้างทําลายเถาหัวเน่าให้ขาดไปฉะนั้นเถากะพังโหมก็บอกบเถาหัวเน่าเนี่ยนะ แสดงว่าเป็นตระกูลเถาวันที่เหนียวมากถึงขนาดผูกช้างได้อะสังโยชน์เบื้องต่าคือสกายาทิทิวิจิกิจฉาสีละพตะปราหมณต ก, การมราคาปฏิฆาเนี่ยนะเราใช้โสดาปฏิมักสกาธากามิมักอานาคามิมักตัดเรียบร้อยเสร็จแล้วด้วยอารยมักแล้วก็อาศัยอรหัตตมักตัดรูปปราคะอารูปปราคามานะอุทจจะอวิชชาได้เรียบร้อยแล้ว อีกอย่างหนึ่งเราตัดคือเราทำลายอนุัยเสียได้ดุดโคอุสภะทำลายเชือกเสียได้เราตัดคือเราทำลายปริยุท ธ, ธานกิเลสทั้งหลายเสียได้ดุดช้างทำลายเถาหัวเน่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เข้าถึงคันที่สัจะพึงนอนอีเรานั้นพ้นแล้วจากทุกทั้งปวงอันเป็นที่ตั้งแห่งชาติตุกจึงสบายเราพ้นจากทุกคือชาติในวัฏฏะในภูมิสามแล้วเราจึงสบาย แน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากท่านปรารถนาจะตกก็เชิญตกลงมาเถิดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าถ้าหากว่าแม้ท่านเองต้องการประพฤติให้เป็นเหมือนเราก็จงตัดเครื่องผูกทั้งหลายเสียเถิดอันนี้คือเราเป็นคำท้าด้วยนะถ้าปรารถนาความสุขเช่นเราก็ทำเหมือนเราก็แล้วกันในคาถาที่บสองนี้พระพุทธเจ้าตราัสเครื่องผูกจัดเป็นสมุทัยสัตว์การนอนในครจัดเป็นทุกขสัต์ ไม่เข้าถึงเนี่ยนะไม่เข้าถึงการนอนในคันเนี่ยการไม่เข้าถึงเนี่ยนะธรรมะที่ทําให้ไม่เข้าถึงในการนอนในคันเป็นนิโรสัรจจะด้วยอำนาจอ น, นุปาทิเสสานิพานการตัดในคําว่าเชตวาปดาเลตวานี้จัดเป็นนิโรสัรจจะด้วยอำนาจสอุปาทิเสสานิพานเครื่องตัดเครื่องทําลายจัดเป็นมักสัตในที่สุดทักถาคนทั้งสี่คือนายทินิยะ ทิยาของเขาและธิดาของเขาอีกสองคนได้ฟังคาถาที่แสดงอริยาาสัจรีประการนี้แล้วอย่างนี้ก็ดำรงอยู่ในโซดาปฏิพันธบรรลุเลยนะของเรานีฟังยังไม่ค่อยจะเข้าใจเลยท่านาบรรลุอะไรเนี่ยจักไม่เข้าถึงการนอนในคันอีกเหมือนโคตัดเชือกสำหรับผูกขาดฉะนั้นนี่แหละประกาศอริยาาสัจแล้วเนี่ยนะ ไม่ต้องนอนในคันอีกแล้วนะไม่ต้องนอนในคันอีกแล้วไอ้ธรรมะที่ไม่ให้นอนในคันคือนิโรธสัจจะตัดเครื่องผูกคือสังโยชน์ขาดแล้วก็ไม่ต้องนอนในคันอีกแล้วครั้งนั้นนายธนยะเห็นแล้วซึ่งธรรมกายคืออริยสัจของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยปัญญาจักสุด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นอันเกิดขึ้นแล้วในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมูลด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนผู้มีหาไทยอันธรรมกายคือ การแทงตลอดอริยสัต์ตักเตือนแล้วก็คิดว่าบัดนี้ตั้งแต่อเวจีเป็นที่สุดจนถึงพระวักพรมเวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียใครอื่นเล่าจากบัลลือสีหานาที่มีกำลังเช่นนี้ได้ใครจะกล้าคำรามได้ขนาดนี้มัางกันราษาสดาของเราเสด็จมาแล้วเนอะก็คิดว่าเราตัดเครื่องผูกทั้งหลายแล้วและการนอนของเราและการนอนในคันของเราก็ไม่มี ต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เปล่ ง, ร, ลงรัสมีพระชับพันนรังสีแห่งพระกายซึ่งเป็นราวก็ว่าแสงเรืองรองที่รดด้วยน้ำทองอันงดงามไปด้วยขายแห่งพระชับพันนรังสีเข้าไปภายในบ้านของนายทนิยะด้วยประสงค์ว่าบัดนี้เชิญท่านดูตามสบายเถิด